ا ل ل ه ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العقبة ا للمتقين و ا ع د و ا ن إلا ع ى الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلىهم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ا ل د ي بن ا ي ا ن ن ي ا ا เราต้อง ت ّ ب ا ع ให้ละเอียดขอให้พีน้องได้ตั้งใจตั้งใจรับฟังแล้วก็มันพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเนื่องจากว่าอายนี้แล้วก็หลายอายันในสุรตะตวราที่เป็นประเด็นสงสัยสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามแล้วก็นํามาโจมตีอิสลาม มีหนำซ้ำก็ยังมาสร้างความสงสัยกับมุสลิมด้วยคือพี่น้องต้องเข้าใจนะสําหรับมุสลิมอะรับฟังข้อสงสัยใดๆเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยนะไอ้ที่ว่าเราได้ินคนโจมตีอิสลามตั้งข้อสงสัยมไม่ปัญหมันไม่กระทบมันไม่กระทบอะไรเลยกับความมัน่นคงของอีบานของเราเนื่องจากว่าเราเชื่อมัน่น ในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในสารที่มาจากพระพุทเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งความเชื่อนี่ที่ทําให้เราได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในให้สอดคล้องกับคําสั่งสอนทั้งหมดฉะนั้นประเด็นของแต่ละคําสั่งสอนเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจซึ่งมันสร้างความสงสัยแน่นอนกับคนที่คนที่ไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้วนะ มันก็ไม่บางควรสําหรับผู้ศรัทธาที่จะเอาความไม่ไม่มั่นใจหรือความสงสัยของคนที่ไม่ได้ศรัทธาในอิสลามแล้วนี่นะมาเป็นประเด็นสงสัยของของเขาเพราะถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้นะตรงตรงเป็นนับใหม่นะคืออ๋อเป็นมุสลิฉันเป็นมุสลิมนะแต่ข้าพเจ้ามีอยู่สักสามสิบเรื่องที่ยังยังสงวนแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมนะต้องเป็นนับใหม่ มายต้องต้องศึกษาให้ดีนะและ้วก็มาเก่ากันริ้มกันแล้วก็มาว่ากันใหม่แต่นี่เรากลริยมกันแล้วเป็นมุสลิมแล้วนะแอ่อันนี้เราเชื่อมัน่นส่วนข้อสงสัยมันก็เป็นข้อสงสัยของมันนี่แต่เราเนี่ยจะมีความตระหนั ก, กว่าแน่นอนหลักการศาสนานี่มันสอดคล้องกันมีความตรงกันมีมีการเข้าหากันอย่างชัดเจนเพราะหลักการศาสนานี่มาจากมาจากพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ศา ส, สนานี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่มาประชุมกันแล้วก็มีคณะธรรมธิการนั่งเสนอทีละข้อทีละข้อข อ, อันนี้ผ่านไหมอันนี้อันนี้ยังไม่นีอันนี้ข อ, อนิดนึงอันนี้ปรับนิดนึงอนี้ไม่ใช่นี่เราเชื่อจากจุดจุดแข็งที่สุดเนี่ยเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งสอนที่มาจากพระวิญเจ้าเราเชื่อในพระวิญเจ้าที่สมบูรณ พระเจ้าของเรานสมบูรณ์แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเนี่ยก็ต้องสมบูรณ์แน่นอนจะเกิดความสงสัยของคนที่ยังไม่ไยังไม่ได้ศรัทธาในในโครงสร้างในภาพรวมของอิสลามเนี่ยเป็นไปได้และและพระเจ้าก็เห็นใจด้วยนะพระเจ้าก็เห็นใจว่าให้ศึกษาให้ดี แล้วก็เชิญชวนในกุรอานอัฟละตาตาฟักรูนมาคิดมาคิดกันดีอัฟละตาตาบารูนมาพิจารณากันสิทําไมไม่คิดกันอะฟละจากิรูนไม่ใช่สมองคิดบ้างสิก็พระเจ้าเชิญชวนอยู่ตลอดและพระเจ้ายังไม่ได้รีบเร่งนะเชื่อเรื่องเดียวใน Islam หลายๆละล้อเลยกลิมอนไม่ใช่ทีนีน้คือศึกษาให้ดีถ้าเราเชื่อเชื่อแล้วแล้วการศาสนานี่ มีเป็ น, ปนอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องเป็นไปได้ไหมก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยอ๋อศึกษาใ ห, ให้หมดทั้งหมื่นเรื่องให้มันร้อปอร์เซ็นก่อนทุกเรื่องนะทุกเรื่องต้องร้อปอร์เซ็นตะกว่าจะเข้าอิสลามโอ้ยแบบนี้ในโลกนี้ไม่ไม่มีผู้ศรัทธาแน่นอนไม่มีผู้ศรัทธาแต่สมัยนบีเนี่ยสฮะบะฮ์ทั้งหลายนีไม่มีผู้ศรัาาทธามีมีความเป็นไปได้ที่จะมีบางประเด็นเข้าสงสัยแล้วเราอาจจะไม่มีคําตอบ แต่ไม่ควรที่จะสร้างความแคลงใจสำหรับผู้ศรัทธาเพราะเราเชื่อในเชื่อในพระเจ้าแล้วนี่มันก็เพียงพอแล้วส่วนคำสั่งสอนอะไรบางอย่างที่บริบทของมันเราอาจจะไม่มีเครื่องมือเพียงพอไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าถึงการอ ธ, ธิบายที่มันละเอียดทีถ้วนนี่แค่หนึ่งเนี่ยเราร่างเรานั่งกันมีโอกาสที่จะคุยกันและก็เรียนรู้กัน แค่นิดถึงโอกาสคนที่ไม่ได้มานั่งที่นี่แล้วมีคุยกันเราก็เห็นข้อแตกต่างแล้วข้อแตกต่างของคนนี้มีโอกาสที่จะเข้าใจคุตัานมากกว่าอีกคนหนึ่งถูกต้องไหมและถ้าเราได้ศึกษามากกว่านี้ถ้าอ่านมากกว่านี้ถ้าไตรตรองมากกว่านี้แหละเราก็จะยิ่งมีโอกาสเข้าใจมากกว่านี้มากขึ้นมากกว่านี้ถ้าเราไปถึงระดับบรรณาอุลามาเนี่ยโอ้โหนี่แค่อาญาเดียวเนี่ยเขาอ่านตำราเป็นสิบเป็นร้อยเล่มเขาจะได้ ถึงแก่นแท้ของของเนื้อหาของของอัลกุรอานถ้าเราได้โอกาสแบบนั้นซึ่งโอกาสนี้ทุกคนก็สามารถทําได้แต่แต่ปัจจัยอ่ะปัจจัยเรื่องเวลาเรื่องทุนทรัพย์เรื่อ ง, อ, งอะไรต้อมีอะไรแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่อะไรที่เหมือนกันทุกคนน่ะที่เหมือนกันทุกคนนี่ก็คือถ้าใจเราเนี่ยศรัทธาในพระเจ้าแล้วพระเจ้า องเดียวและเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเพียงพอแล้วสําหรับอัลลอฮ์ที่จะให้เราได้ถือว่ายืนยันในความเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ถามว่าไอันนี้อายาที่สิบเก้าของสุตะบ้านนี่เชี่งไงและที่เขาสงสัยกันนัในเองแบบไปศึกษาให้เนี่ยเ ร, เราจะไม่ถามขนาดนั้น <c oughs> นึกออกมาดังนั้นที่ผมเตือนพี่น้องให้ตั้งใจให้พิจารณ์ ผมผมไม่ได้สร้างความหวดกลัวความระแวงให้พี่น้องต้องศึกษาั้งไม่ศึกษาเดี๋จะมีปัญหานั่ไม่ใช่แต่ในเมื่อ ม, มันมีโอกาสที่เราจะเข้าถึงเข้าถึงตัวบทแล้วก็เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงของมันซึ่ง น, นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะคนอื่นที่พลาดโอกาสนี้ทำให้เข้าตกหลุมแห่งข้อสงสัยต่าง แต่ในเมื่อเราได้มาถึงโอกาสนี้จะได้ศึกษาจะได้ไม่เกิดขอ้อหรือมีข้อสงสัยที่เรารับรู้เราจะได้มีคำตอบพร้อมผมถือว่านี่เป็นเน่าอมาที่เราสุภาณวดาลราให้เรามากกว่าคนอื่นเราค็ต้องรักษาเ น, นี่ยมานี่นี่คือที่ไปที่มาที่ผมบอกว่า เ, ออเราตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจให้ดีนะเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยในสื่อโดยเฉพาะคนดิบ มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หวงแหนอิสลามจริงๆใช่ไหมพอเข้าไปดูในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยจะจะจะเฟจะ t ิ k ตอกจะอะไรพวกนี้พอเข้าไปดูคนที่โจมตีอิสลามเนี่หนูหัวร้อนเนี่ยเพราะเชื่อมั่นในอิสลามแล้วเอ้ามันมันดูมันดูมันโจมตีมันมันอนีการที่เราได้มีความ ของแหนโดยมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สอดคล้องกับสเสรีตรามของผู้ศรัทธาอยู่แล้วแต่การที่เราจะปล่อยปะละเลยหน้าที่ของเราหน้าที่ที่มักจะเป็นฟีดแบ็กเน่ยนะเวลาฟังเรื่องนี้เนี่ยส่วนมากกันนะจํานวนมากส่วนมากอ่นนะสิ่งที่เราจะโต้กลับนี่ก็คือด่าอย่างเดียวโตมันอะมันไอ้มันมันควายมันไม่รู้เราก็ด่ากลับมันะ ทังดังนี่ทั้งดังที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สร้างเอพอถ้าหากว่าเรานั่งกันซึ่งหน้าบอกว่าอก็ตอบดิคุณก็ตอบดิมีคําตอบไหมเอ้มันกไม่เข้าใจมันรากยังไม่พร้อมที่จะตอบซึ่งความรู้แบบนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นความรู้เฉพาะคนเป็นความรู้พิเศษมันก็ไม่เชิงแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ แสังเกต น, นะทําไมเนื้อหาติ๊กต็คนที่โจมตีลบหลู่ศาสนานี่คนทั่วโลกเข้าถึงง่ายอะ่ะแต่ทีเนื้อหาที่จะตอบโต้อย่างเป็นวิชาการน่ะนะเข้าถึงง่ายไหมเข้าถึงอ่ะเอเออตอบโต้คนที่ต่อว่าอายายี่สิบเก้าของซูรอเตอบานหาไ ป, ไปหาปดูดิมีไหมเข้ายากเข้ายาก ถ้าถึงจุดที่เราสามารถศึกษาแล้วผมบอกอะสมควรแหละไม่อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ได้โอกาสแล้วเนี่ยเป็นฟารดุกิฟายะแล้วนะเพราะสําหรับนิติศาสตร์นักนิติศาสตร์อิสลามนี่ก็บอกว่าฟารดุกิฟายะนี่บางประเภทนะบางประเภทของฟารดุกเข้าใจฟารุดุกิฟายะกันนะเข้าใจนะฟารุดุกิฟายะบางประเภทนี้นะมันจะกลายเป็นฟารดุฟารุไกน อินเราเรียกันอินน่ะรดฟรอยนอยน์ี่คือบุคคลต่อบมันจะกายเป็นฟรดูอายนะนะสำหรับคนที่เสนอตัวต่อการกระทาที่มันเป็นฟรดุกิฟายาเช่นการละหมาดญาณะได้การอาบน้ามายิบอย่างเงี้ยการอาบน้ามายินี่มันเป็นฟรกิฟาย แต่สำหรับคนที่ปรากฏตัวตอนนั้นน่ะสมมติว่าอ้าวมาเตรียมตัวแล้วเขาจะอาบน้ํามาอิทแล้วไม่มีใครเป็นนะนะทตอนนั้นตอนนั้นน่ะเอาใครอาบน้ำเป็นเออบางยี บ, ง บ, ง บ, งบงางนัแทนนี่มันจะเป็นฟอร์ตุกีแฟร์สำหรับสังคมทั้งหมดเนี่ยสาหรับคนที่เป็นมีความสามารถณนะเวลานั้นนะ่ะกลายเป็นฟอร์ต์ดไวน์สําหรับเขาแล้วผมกําลังเทียบเนี่ยความรู้อะไรบางอย่างเนี่ย ซึ่งในสังคมต้องมีสักกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้อย่างเนี้ถ้าจจได้มีโอกาสตอบโต้ได้มีโอกาสชี้แจงไดีมีโอกาสกระจายข้อมูลแบบเนี้เขาจะได้ทําหน้าที่เพราะคนเดียวลําพังคนเดียวเท่านี้เป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้ที่จะประสบความสําเร็จต้องสังคมต้องมีกลุ่มหนี่งแต่กลุ่มนี้เนี่ยเราจะหาที่ไหนอะอาจจะเป็นนักวิจัยนักศึกษาบรรดาผู้รู้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับคนที่ เข้าถึงเนื้อหานี้แล้วก็สามารถนําไปช่วยตัวเขาเองคนรอบตัวครอบครัวเพื่อนฝูงสมาชิกในกลุ่มต่างๆและกระจายข้อมูลมันก็จะกลายเป็นฟอสตุกิไฟยอย่างเราเนี่ยสมควรแล้วที่จะเป็นฟอสตุกิไฟะในเมื่อเราใส่ใจในการศึกษาความหมายอัลกุรอานมันก็เป็นโอกาสที่จะให้เราได้ศึกษาเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของ อายะต่างๆที่มันเป็นประเด็นน่ยที่มันเป็นประเด็นในในเวทีในเวทีโต้เถียงของศาสนาเปรียบเทียบหรือคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามอ่ะนะเร mm ื hmm. ่องนี้สมควรที่จะกระจายแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยให้ดีที่สุดหลังจากอายะที่ยี่สิบแปดที่เราได้พูดถึงการวางระเบียบของอนาขีดแผ่นดินฮารอมซึ่ง ผลพวงที่ตามมาก็คือห้ามบุคคลที่ตั้งพากีกฮาร์รอมเนี่ยเข้ามาสิทอารรอมเข้าแผ่นดินฮารอมซึ่งทำให้เศรษฐกิจของชาวมักกา์นี่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็เข้าแผ่นดินฮารอมไม่ได้แล้วภารกิจภารกิจในการในการที่จะทาหน้าที่ปกป้อง กฎหมายบ้านเมืองซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนและเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมที่ท่านนบีสุลต่านอเลสเลมปลูกฝังไว้ที่มาดีนะตั้งแต่เริ่มมีคนอพยพมารับอิสลามใหม่บูซาิดอัลกุดรีซึ่งเป็นชาวอันซอตเนี่ยได้รายงานฮะดีสมาด้วยมาุสลิมท่านนบีได้ว่ามรอามิงคุบมุนกร ผู้ใดที่เห็นมงก็เห็นความชั่วฟะลิุกะยื่นหัวบีให้เปลี่ยนแปลงให้ปราบปรามมุงก็เนี่ยความชั่วเนี่ยบียด้ดดิด้วยมือด้วยอํานาจเพาะอิ ล, ลมิอัลสเถ้าไม่มีอํานาจเนี่ยก็ด้วยลิ้นในการพูดตักเตือนถ้าไม่มีไม่มีลิ้นไ ม, ม่ก็ด้วยหัวใจนี่สแสดงว่าพลเมืองเพราะนั่นเามั่นผู้ใดก็ตามานะทุกคนทุกคนในเมืองทุกคนในในใ น, ในประเทศชาติบ้านเมือง ได้เห็นแสดงว่าพลเมืองทุกคนเนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใดในการที่จะปราบปรามมุงกระเหรความขั้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วกฎหมายบ้านเมืองเช่นระเบียบของอาณาเขตมาซิดฮารอมเนี่ยไม่ได้มีเพื่อให้พลเมืองมาประเมินว่าเออกฎหมายนี้มันมันรับผลกระทบหรือไม่เราจะได้สนับสนุนถ้าไม่รับผลกระทบเนี่ย เราก็จะส่งเสริมถ้ารับผลกระทบเนี่ยเราจะได้ไม่เอาด้วยซึ่งมันเป็นรสนิยมของพลเมืองทั่วโลกในเมื่อกฎหมายนี่เป็นกฎหมายของมนุษย์โอเคก็เอาถ้าไม่โอเคอะก็ประท้วงเอ้อยขอให้เปลี่ยนได้ไหมกฎหมายนี้มันไม่มันไม่เวิร์กมันไม่ใช่ กฎหมายขงังเราสมภารนวราชแหละมันต้องมีมันต้มีความต่อเนื่องไอ้สิบแปดสุลต่บานเนี่ยได้วางระเบียบเกี่ยวกับคนที่ตั้งภาคีที่ไม่สามารถเข้ามากได้แน่นอนรับผลกระทบศาสนาอิสลามก็ไม่ไดรอว่าจะต้องประชาวิจารณ์ก่อนว่าเออรับผลกระทบจะได้จะได้ดูว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะไม่ความต่อเนื่องของระเบียบเนี่ย โดยเฉพาะที่ประธานลงมาในช่วง ท, ท้ายที่มา ด, ดีน่านี่ในซลตาว่านี่ในในปีที่เก้าเนี่ท้ายๆเลยนะความต่อเนื่องนี่เป็นการยืนยันว่าโครงสร้างโครงสร้างของของพลเมืองของหน้าที่ของพลเมืองนี่มันมันต้องเข้าใจในอุดมการณ์อุดมการณ์ที่มันเป็นรูปร่างเดียวกัน อ้เรแรกบอกว่า ม, มีมุชริมกินมุชริกินคนที่ตั้งภาคีเนี่ยตกลงเข้าเข้ามาสิทธารมไม่ได้เอาแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาคนที่ตั้งภาคีเนี่ยก็มีปัญหาใช่ไหมใช่ที่อธิบายตั้งแต่แรกเลยบอกว่าอิสลามไม่ได้มองถึงพลเมืองด้วยสัญชาติเชื้อชาติสีผิวอันนี้อธิบายหลา ย, ลายรอบแล้วใช่ไหมมองถึงอะไร ศา ส, สนาศา ส, สนานี่คือสัญชาติอธิบายตรงไปตรงมาศา ส, สนาคือสัญชาติและทุกทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องความเป็นพลคุณสมบัติของคนละมืออย่างเดียวนะไม่คุณสมบัติของคู่ครองจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายคือเรื่องอะไรไม่ใช่ความสวยงามไม่ใช่สตังไม่ใช่อะไรศา ส, สนาคุณสมบัติของนะักการปกครองคนนี้จะมาเป็นผู้นําคนที่จะมาเป็นผู้ว่าคน เรื่องแรกก็คือศาสนานี่มันนี่มันเป็นมุมมองเดียวในทุกวาระของกฎหมายต่างๆเรื่องศาสนานี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องหลักอแสดงว่าคนที่ตั้งพากีกับอัลลอฮ์เนี่ยในเมื่อเขาเป็นถ้าจะถ้าจะที่หายเป็นภาษากฎหมายก็เป็นคนต่างชาติซึ่งคนต่างชาตินี่ก็จะมีสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่ไม่เป็นปฏิปัติไม่เป็นศัตรูไม่มุ่งมั่นไม่มุ่งมั่นที่จะทำลายประเทศชาติประทชาติตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ารัฐรัฐอิสลามและกลุ่มหนึ่งอ่ะไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเขาเป็นปฏิปัติมุ่งมั่นไม่หวังดีซึ่งคนส่วนมากที่ตั้งพากีของอัลลอฮ์ س ب ح ะในยุคนั้นนะ ในยุคของท่านนาบีนะส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็คือคนที่ไม่หวังดีไม่ใช่เพิ่อจะไม่หวังดีนะไม่คือตั้งแต่นบีเริ่มประกาศประกาศศา ส, สนา ว, ว่าเขา เ, เ, เขาไม่เอาด้วยสแสดงปฏิกิริยาอย่างชัดเจนในการรังแกท่านนาบีขัดขวางท่านนาบีขับไล่ท่านนาบีวางแผนสังหารท่านนาบีนะ แล้วก็ล้อมชีวิตของผู้ศรัทธาที่รับอิสลามใหม่เนี่ยสร้างความเดือดร้อนในเขาเนี่อันนี้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ท่านนาบีเนี่ยเริ่มเริ่มขยายอำนาจของท่านเนี่ยแล้วก็มีความสามารถจากบุคคลที่ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงที่ที่มักกะไม่สามารถเผยแพรอิสลามได้จนกระทั่งท่านนาบี ม, มีมีรัฐมีที่ตั้งรัฐ ของของท่านเนี่ยที่มาดีนะแล้วก็เริ่มขยายอาณาเขตของเขาเนี่ยแม้กระทั่งอาณาจักรโรมันเนี่ยที่ถือว่าเป็นอาณาจักรที่เงี้ยก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วถึงอันตรายของชาวมุสลิมที่เริ่มขยายตัวจึงตั้งกองทัพสองแสนคนจะได้มาบุกรุกอาณาเขตของรัฐใหม่นี่ที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ไปที่มาของสองครามมุตตะเด ถ้าได้มีโอกาสได้อธิบายอีกทีหนึ่งสงครามมูท่านนี่ยน่าสนใจมากถ้าเราย้อนยกตัวอย่างนะถ้าเราย้อนสักสักสามศตวรรษในมังไทยเนี่ยแผ่นดินสยามเนี่ยเอ่ยพม่าเนี่ยเอ่ยขาว่าพม่าเนี่ยมีใครเป็นมิตรมะถ้าย้อนไปถามคนในอดีตเนี่ยว่าเอามะเอาพม่าเป็นลูกจ้างมาเฮ้ยยังไงอ่ะโดนข้อหาเลยนะ โดนข้อหานี่ว่นี่เป็นเป็นไส้ศึกเปล่าทําไมเพราะในยุคนั้นน่ะพม่านี่เป็นศัตรูกับพันธุ์สยามมันสงครามกันตลอดเลยนี่พมายกยกทัพยกทัพนี่พูดด้วยกันนะใช่ไหมพูดด้วยกันนะยกทัพฆ่าฆ่าคนสยามเป็นพูดด้วยกันภผารวมไหมตามที่เราเล่าภารวม แต่เราเนี่ยวลายกทัพนี่ยเผาวัดไหมกระเผาเหมือนกันนะ่ะ แ, แต่เราไม่เคยไม่เคยเล่าไงตำราของพามาา่าบอกว่าคููคุณกรนะเผาสยามเนี่ยวลายกทัพนี่กระเพาเหมือนกันนะ่ะเอาไม่ต้องเผานะ่ะไปฆ่าพา ม, าม่าเหมือนกันนะพระพม่ากระพูดเหมือนกันนะ่ำไหมนี่ระหว่างสองสองสองเมืองสองประเทศนี่สองรัฐนี่นะ <S <S เป็นศัตรูกันไม่มีใครคิดหรอกว่าถ้าคนพาม่านี่จะมาลงทุนเมืองไทยหรือจะ หรือจะเอาคนไทยคนไทยไปทํางานหรือคนไทยจะเอาพมา่าเนี่ยจินตนาการไม่ออกพอที่จะเข้าใจาใช่มไหมอันนี้ก็เหมือนกันอัลมุชริกูนคนที่ตั้งภาค์กีก่อนเนาะคนที่คนที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลามนี่นะในยุคนั้นนะก็คือคนที่ประกาศสงครามกับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรื่องที่ ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเพิ่งจะมาเกิดขึ้นตอนที่สุรอตัตตาบ้านนี่ถูกประทานลงมานี่ไม่ใช่ภาวะสงครามนี่มันมีตั้งแต่ท่านนาบีได้อพยพจาก <c oughs> มักกะบายมาดีนาแล้วคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยแล้วก็ได้หลายบ้านสืบเนื่องตัวเล็บลุงของท่านนาบีเนี่ยซึ่งตอนนั้นนเพิ่งรับอิสลามแต่ไม่บอกใครพราอชาวอันซอร์นี่ชาวมาดีนาเนี่ยมาให้สัตยบันกับท่านนาบี ที่มักกะช่วงฮัดเนี่ยให้นบีอพยพไปแล้วเขาจะปกป้องท่านนบีนะอาลอาบบะซเป็นพยานอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็บอกกับชาวมาดีน่าชาวอัลซุอกเดี๋ยวก่รู้ไหมว่าการที่พวกเจ้าจะเอาท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปอยู่ที่มาดีน่าปกป้องเขาเนี่ยเท่ากับประกาศสงครามกับข้าบสมุทรอาหรับชาอาหรับในข้าวสมรทรทั้งปวงเลยรู้ไหมแสดงว่าทุกคนอยู่ตอนนั้นนะเขาเขารู้อ่ะ คือท่านนาบีท่านนาบีไม่ได้จัดสมนานะมาม า, ม า, ม, า, ม, า, ม, ามาเข้าใจอิสลามกันท่านนาบีกนลังปฏิรูปปฏิรูปสังคมซึ่งการปฏิรูปสังคมเนี่ยรวมถึงเรื่องผลประโยชน์เรื่องรสสนิยมเรื่องเรื่องอะไรหลายอย่างที่มันปลูกฝังแล้วก็มีคนหลายคนกลุ่มหลายกลุ่มไม่พร้อมที่จะทิ้งไม่พร้อมที่จะทิ้งธุรกิจขายเวิต รุปปั้นธุรกิจดอกเบี้ยธุรกิจโสเพณีธุรกิจขายเหล้าธุรกิจการพนันนี่ทั้งหมดเนี่ยมาดูสิวัดนี่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจไหมไม่ยังเป็นธุรกิจอยู่แต่ตอนนี้มีธุรกิจพวกนี้ที่ถูกกฎหมายนี่ทั้งหมดเนี่ยโสเภณี mới, ถ, ถ, ถูกกฎหมายการพนัน ถ, ถ, ถูกกฎหมายทุกทุกทุกกฎหมายหมดแล้วก็ไอ้พวกนี้เนะี่ยที่ไม่ถูกกฎหมายเขาจะเขาจะโดนเรียกว่าสีเทา ทั้งนี้มังกบาบามุกทั้งนั้นนะฉันน บ, บีจะมามาปฏิรูปสังคมทั้งหมดนี่ซึ่งพวกนี้เขาไม่ยอมบางกลุ่มนี่นะเขาไม่มีปัญหากับเรื่องความเชื่ออาจจะมีพระเจ้าองค์เดียวนี่ไม่มีปัญหาดิแต่จะมาห้ามไม่ให้ฉันกินเหล้านะมาห้ามไม่ไม่ฉันแบบว่าเที่ยวกลางคืนโสเปนี่ตามสะดวกตามสบายนี่นะไม่ได้เขายอมรับไม่ได้ อย่างไรชา บ, บุรเรื่องนี้นะบอกว่าถ้าท่าาานนบีเริ่มดาวาอิสลามเนี่ยด้วยการห้ามกินเหล้าเด็ห้ามทํานู่นทํานี้เนี่ยนะเขาจะไม่เอาอิสลามเลยแสดงว่าอาคติของชาวอาหรับจํานวนไม่น้อยนะไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออย่างเดียวนะความเชื่อนี่อาจจะเป็นประเด็นรองก็ได้แต่เรื่องหลักของเขาเนี่ยรุฐ ส, สันิยมของเขาในสังคม ดันั้นเรื่องการต่อต้านท่านนาบีนี่มันมีตั้งแต่เริ่มประกาศแล้วแต่มันเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ท่านนาบีอุพยพและอพยพไปอยู่ม ด, ดีนาเริ่มที่จะเผยแพร่ อ, อิสลามโดยที่ไม่ต้องขอสิทธิ์ขอสิทธิ์สิทธิในการเผยแพร่จากคนหม่เป็นสิทธิ์ที่ได้มาแล้วโดยโดยโดยสิทธิส่วนตัวนี่ไม่มีใครจะมามาแย่งได้เพราะฉะนั้นถ้าอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ได้ ลงคำสั่งให้ให้ประกาศสงครามกับคนที่ตั้งพารีกีอัลลอฮ์ตามบริบทที่ผมได้อธิบายข้างต้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเรื่องแปลกสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าคนไทยเนี่ยมีมีคำพีคล้ายๆไตมิดกเนี่ยแล้วก็คำภีนี้ถูกประทานลงมาเมื่อสามสี่ร้อยปีช่วงที่มีสงครามกับกับพม่าอย่างเงี้ย แล้วก็พบในองค์การหนึ่งในในในในคัมภีร์เนี่ยจงต่อสู้จงจงประกาศสงครามกับพม่าเราก็ก็คงจะเข้าใจว่าหมายถึงว่าเพราะตอนนั้นนะ่ะพม่านี่มีแต่ถ้าเราจะมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าพม่ า, มา ป, ประเทศไหนประเทที่เขายังประกาศสงครามกับเรามาอันนี้ก็ต้องประกาศสงครามเหมือนกันเลยอัลมุชริกีนซึ่งมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ประกาศ สงครามเป็นปฏิบัติกับอิสลามอยู่แล้วอันนี้ประกาศสงครามมีความชอบอย่างสมบูรณ์ร้อยอร์เซนตมีความชอบจะมาตั้งข้อสงสัยว่านี่ไงอิสลามบอกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็ น, เ ห, นเห็นต่างเรื่องศาสนานี่บอกว่า ใ, ให้ฆ่ า, ใ ห, าให้ประกาศสงครามเลยนี่ไงเขคุณคุณต้องเข้าใจก่อนนีต้องเข้าใจว่าบริบทตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงและก็หลักการศาสนาในการจําแนกกลุ่มที่เป็นปฏิบัติกับที่ไม่ได้เป็นปฏิบัติ มีขุกลมทั้งสองนี่เป็นยังไงก็ต้องเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่เอาเนื้อหาของอ้ายแล้วก็มาโจมตีอิสลามอันนี้แสดงว่าคุณต้องมีอคติแน่นอนหรือไม่ต้องการที่จะเข้าใจเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการในการประทานลงมาซึ่งองค์การต่างๆในกุรอานในคมัมภีร์อธิบายแล้วยาวหน่อยนะแต่พอมาอ่านแล้วเนี่ยเราจะได้มีคำตอบในตัว ในประเด็นต่างๆที่อาจจะเกิดข้อสงสัยหรือที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนห น, น้านี้สมมติว่าเธอผมแล้วก็พี่น้องนี่เกิดในยุคในยุคที่ไม่มีปัญหาหมายถึงว่าคนก็นไมาดิจมทีลอิสลามคงจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาอธิบายในทํานองนี้นี่ออกมาแต่ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเหมือนตั้งรับอย่างเดียว เราถูกโจมตีอย่างรุนแรงฉะนั้นการอธิบายกุรานตามอัธยาศัยเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยอธิบายคุรานแบบว่าต า, ตามสะดวกชิวๆสบายๆ อ, อันนี้ความหมายนี้ภาษาอาหรับมันเป็นอย่างงี้แล้วก็มันสนดของมันมันอิสติกร์ q, มันอย่างโอ้ยแล้วก็ลงลึกรายละเอียดแบบชิวๆมันก็ย่อมทําได้นะแต่มันจะถือว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย ทำไมเพราะมันเรื่องมีเรื่องที่เร่งด่วนที่เราต้องต้องอธิบายให้มากกว่านี้คนส่วนมากอาจจะไม่ต้องการความรู้ด้านวัยากรของคำศัพท์ต่างๆที่เราเรียนรู้ในครมมากกว่าความต้องการในเนื้อหาแท้ๆที่สามารถหักล้าง อักล้างการโจมตีหรือข้อสงสัยต่างๆที่เขากำลังโวมทีอิสลามอยู่อันนี้ทั้งหมดนี้สำหรับคนที่ปรากฏตัวในเวทีต่างๆในสังคมจริงๆแล้วก็รู้รรรทันสถานการณ์นะแต่คนที่หมายถึงว่าสมมติว่าคนที่ดู Facebook, TikTok, โซเชียลนี่ดูเฉพาะคลิปอ่าคลิปทำกับข้าวคลิปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยอย่างเดียวนะ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามอะไรเลยก็ับเรื่วงดีอิสลามพอถึงเวลาจะมาศึกษากุตตานเขาก็ศึกษาตามตามอธิยาศัยเหมือนกันสบายสบายอ่างนีอันนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขานะขอะไก็หมายที่ว่าเขาไม่ได้รับรู้ปัญหาแต่สำหรับสําหรับนักเคลื่อนไหวที่มีการติดตามสถานการณ์เนี่ยไม่ควรที่จ ะ, ะหลับหูหลับตาจากเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะในฐานะที่เราเป็นเป็นมุสลิมทุกคนเนี่ย เรามีภารกิจในการปกป้องอิสลามสงครามตอนนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แต่มันจะเป็นสงครามด้านความคิดมากกว่าละซุบฮะน่าวะตะละดิคลาวในอซูรัดอัลตูเบะอายะตีสิบเก้านะ قاتل الذين لا ي ؤ ي ن م ن ล ن بالله ولا باليوم الآخر พวกเจ้าจงต่อสู้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h และต่อวันปรโลก นี่ส่วนมากเขาก็จะเอาเฉพาะวัดนี้ เ, เฉพาะวัดนี้เนี่ยแล้วก็สัดเลยสั์เลยนี่ไงพวกเจ้าจงต่อสู้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮและวนะลันลอปะรโกคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อต่างสู้เลยรบเลยเอาเฉพาะวัดนี้และแน่นอนคนที่อ่านเฉพาะวัดนี้เนี่ย มันเป็นวลีของบรรดาอุลามะเขาบอกว่าเข้าใจคุรอ่านแบบละตะกระบุสละส ورة อันนิซานอัลลัฮฺบอกว่าละตะกระบุสละต่ว่าันตุมสุการะจงอย่าเข้าใกล้ละหมาดขณะที่พวกเจ้ามึนเมาอยู่นี่อายะทั้งหมดเป็นแบบเนีน้วัด น, น, น, นี้มันจะเข้าใจหมดแต่ถ้าคนอ่านละตะกระบุสละนี่อ عت, ัลลอฮฺห้ามไม่ให้เราเข้าใกล้ละหมาดฉะนั้นเนย่าละหมาดกัน แน่นอนคือถ้าจะยกอันนี้เนี่ยมันมันก็มันก็เอื้องไงแต่ใช่อายะต้องต้องอ่านทั้งหมดเลยมันจะได้มันจะได้เข้าใจทั้งหบทนี่เขาบอกว่าเข้าใจกุศอ่านแบบและตะกระบุศาละเอาเฉพาะส่วนที่ต้องดานอุลมามะบางท่านนี่บอกว่าในกุศอ่านนี่เนี่ยมีหมดเลยใครอยากจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องบาปนะสามารถอ้างได้ ก็คือเอาเฉพาะวัตที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็มาแอบอ้างก็จะเป็นหลักฐานสาหรับเขาคนนี้ไม่อยากละหมาดนียละตกรบุศละละตกรบุศละใครอยากดกินเหล้าเ่ในสุรานาฮลจะ تخذون منه سكرًا ورزقًا حسنا رغدين ب ل م ع อ ن ب ل م ع เนี่ยให้พวกเจ้านี่ได้ทามาเป็นเครื่องสักการนเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งแส ก, กร์เป็นเครื่องดื่มที่ทําให้มึนเมาซึ่งที่ใบที่มาของอายะเนี่ยอายะนี้เนี่ยว่าอธิบายถึงอธิบายถึงสิ่งที่เขาทํากันอยู่ว่านี่นี่ขณะอัลลอฮ์ให้พวกเจ้าเนี่ยได้มีผลไม้ที่อัลลอฮ์สร้างมาผลไม้อย่างดีดนะแต่พวกเจ้าก็ยังดันเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มที่จะไม่มึนเมววาวอริสกันฮัสนะแล้วก็เป็นปัจเจยังชีพที่ดีเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่า น, นี้เป็นหลักฐาน ให้พวกเจ้าเนี่ยเอาเอาไปทําอย่างงั้นแต่เรากำลังเล่าบอกว่านี่เราให้มาแล้วเนี่ยแต่พวกเจ้าก็ไม่ใช่ซึ่งใครที่จะบิดผิวนะอ่านกำพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มที่ทําให้เหมือนเมานี่ก็สแสดงว่ากินได้รูปปัน้นท่านนบีบอกว่ารูปปั้นนี่ยอะไรก็ไม่เข้าบ้านที่มีรูปปั้นและสุนัขดังตังบุคคลใมุสลิมเฮ้ยห้ามมีรูปปั้นได้ไงอ่ะ النبي سليمان مي ربان وتماثيل ودفن كالجواب يقود سورة سورة ل س ب ا ن النبي سليمان مي تماثيل مي ربان ليه؟ ك لكن سلسلة في ต่ละศาสนาเนี่มันไม่เหมือนกันถ้าท่านบอกว่าสมัยท่านนบีสุลมานมีในกระหมมฉยที่ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องเหมือนศาสนาสมัยท่านนบีสุลมานแต่มันก็อยู่ในุรอานแลเราก็พบกันนะครับคนี คนที่พยายามที่จะหักล้างหลักการศาสนาที่ถูกต้องนีนะก็จะหยิบยกเฉพาะบางส่วนของอัลกุรอานนี้มาหักล้างอยากจะหักล้างหลักการศาสนาอิสลามที่ยืนยันว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพคำทักทายของมุสลิมอัสซาดมอลิแห่งสันติภาพพระนามพระนามที่พระองค์ให้เราได้สรรเสริญสดูดีพระองค์ ครั้งหลังจากละหมาดเสร็จแล้วออกมาอัตะสลามอุมิงกะสลามตะบารักเตลจากหลังอายะต่างๆที่พูดถึงเรื่องสันติภาพเรื่องความรักเรื่องความอดทนเรือร่องการให้อภัยนี่ซึ่งเป็นร้อยอายะนี่เป็นสิบๆอายะในกุรานหากลังเรื่องนี้ทั้งหมดนี่เอาเฉพาะวรรนี้เนี่ยก่อติลุ่นแล้วนี่เป็นเลี้ยวไปแล้วเปรบเลียวไปแล้วพวกเจ้าจงต่อสูบ้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา ต่อ Allah และวันปรโรกแต่เราอธิบายแล้วไงว่าคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah และวันปะโรกตอนนั้นนะ่ะนะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นคนที่ประกาศสงครามกับอิสลามเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจะ Allah บอกว่าให้ประกาศสงครามกับเขานี่มันก็มันก็เป็นเรื่องการตอบโต้ไง เ, เป็นเรื่องการตอบโต้ที่มีความชอบอยู่แล้ว ولا يحرمون ما حرم الله ร ر س و ل ه นี่นี่เป็นประเด็นสาคัญ ต่อสูขข้เขาานี้ไม่ได้ศรัทธาต่อลลอฮ์และวันพาราโลกนะและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์และรัซูลห้ามไว้นี่เรื่องนี้ทั้งหมดนี่ที่ผมบอกว่าเรื่องสิ่งอบายมุขที่มันเป็นองค์จรธุรกิจสวสดเพนีดเล่าเล่าแต่ก่อนนู้นอ่ะอับราคินกินอย่างกันนะมายิ่งยิ่งยิ่งกในปัจจุบันอ่ะนะกินยิ่งกว่านนะ่นะ ใครใครที่ใครที่เคยอกรุงเทพก็เคยมีต่างจังหวัดเนี่ยแต่างจังหวัดในตอนนี้ก็ยังมีอยู่กรุงเทพตัวนี้เนี่ย น, ปะปะน้ําประปานี่ยังพอกินได้นะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยน้ําประปลานี่ยกินก็ไม่ได้มันขอ่อยมันเค็มอะ่ะมันไม่มันบางทีมันเปรี้ยวใช่ไหมถ้าขอนุ้นนะ่ะบาดาลก็เป็นอย่างงี้นะคือถ้าถ้าขุดถ้าขุดบ่อเนี่ยบ่อบาดาลที่มันไม่ลึกมากะนะ มันมันน้ำมันมันก่อยแล้วจะกินน้ำแบบนี้เนี่ยใครจะไหวล่ะกินน้ำกินน้ำทํายังไงดีอ่ะจะให้มันหายหายเปรี้ยวอ่ะก็หมักผลไม้เอาเอ็มเพลํมมาใส่เอาองุ่นมาใส่หมักสามวันโอ้ได้รสชาติแล้วนี่ถึงบอว่าอาหรับตัวก่อนนู้นเนยเป็นเรื่องเกินเหล้านี่เป็นเรื่องง่ายนึกภาพเป็นมันทึกโดยมานบุคลีและมุสลิมเนี่ย สหาบ้านนี ا, ่พออายะสุดท้ายที ا ا ่ห้ามกินเหล้าโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ถามผู้สตาด้วยว่าตกลงจะเลิกกันไหมแล้วก็สหาบ้านก็บอกว่าเลิกเลิกกันหมายถึงว่ามติเอกฉันนี่ว่าเลิกเลิกยังเด็ดขาดแล้วอะนะผู้รายงานฮะดีษนี่บอกว่าสหาบ้านทุกคนนี่ก็กลับบ้านแล้วก็เอาเอาน้ำมานี่น้ำเหล้านี่เนี่ยเทน้าบ้านเลยเทน้าบ้านนี่หัตตะ ต้นกระทั่งฟ้าดตุรค์มืดีนต์ที่มีกล้วยต้นกระทั่งถนนที่มาดีน่าเนี่ยถนนตอกซอยทั้งหลายเนี่ยท่วมไปด้วยแอมปล์ลำท่วมท่วมตีความได้ไงตีความท่วมน้ําท่วมมาเคยเห็นน้ําท่วมไหมอะท่วมไม่ต้องถึงขนาด เอวันไม่ใช่กระท่่มแค่นึกภาพบวเท่เล่าเนี่ยจนตนนนี่มันแฉะแฉะแฉะแอ่นะนะตรงเล่ามันต้องขนาดไหนอ่ะมันไม่ใช่ขวดสองขวดแล้วนะเอญญอแสดงว่าแต่ก่อนนู้นเน่ยเขากินเหล้าธรรมดานะเรื่องเรื่องว่าเล่นเลยนะถึงอู่ขะขะความที่ท่นานมีประสบความสําเร็จที่ทําไม่สังคมนี่ติดเหล้าไม่สังคม ไม่ใชสังคมแบบว่าคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนที่ติดแล้วไม่ใช่พราะตะกนอ่ที่บอกอะกินเหล้านี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเรื่องปกติของคนสามัญคนทั่วไปสาวอดีตนาบิวกอสเป็นซาฮาบามีชื่อเสียงท่นก็เป็นคนที่เป็นที่รูก้กันเอาเขานี่ชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านนายบีขอต่ออัลลอฮ์นี่ให้รีบ เร่งในการที่จะห้ามเล่าโดยขาดเนี่ยว่าท่านเจอซาจะมีหกคอสเนี่ยกินเล้าแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่ดีคือคื อ, คอเริ่มเริ่มเมนเมาแล้วก็พูดอะไรที่มันชาวบ้านมันจะโดคนคนระดับหัวกะทิแล้วนะความสำเร็จของท่านนับีาในการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบนี้นะแน่นอนทำให้คนที่เสียผลประโยชน์ในเรื่องนี้เหมือนคนที่ เขาไม่ได้เสียผลประโยชนนะ์เขาคิดว่าเสียโอกาสในได้ประโยชน์ค่ากัญชาโอกาสประเทศอื่นโอ้โหเนี่เขาขายกันเละเลรวยกันเละเลยและเราคนไทยนีย่เสียโอกาสเสียโอกาสใช้กัญชาในเรื่องที่เป็นประโยชน์อันเดียวกันเลยคอนเซปต์เดียวกันเลย เสียโอกาสในการจัดระบบการพนันและก็จัดทำบ่อนคาสิโนให้ถูกกฎหมายเหตุผลเดียวกันเลยเหตุผลเดียวแล้วก็มีนะมีเสียงที่บอกว่าเรื่องโสเภณีโสเภณีบ้านเราเนี่ยก็ต้องวางระเบียบให้ดีนะให้มีการตรวจสุขภาพใบมีออกใบอนุญาตด้วันเดียวกันเลย เาไม่เห็นด้วยเาไม่่่่่่งงงงงงงดดดในนนนนสสิิทีีีห้้้้้้าาาาาาามมมมมมเเพรรระผไไไปโยช์กกลลัถถึึอุคู ไม่ไม่ได้ศึกษาว่าสถานการณ์ในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอะไรเขาก็แข่คนไม่ไม่เห็นด้วยในเรื่องเล่าเ ร, เรื่องการพนั้นเนี่ยจะไปจะไปสู้รบอะไรก็อ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องความคิดส่วนตัวระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะมันกําลังเป็นสงครามด้านเศรษฐกิจระหว่างสองทศนะสองทศนะปกครองเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทําไมเ่ยความคิดด้านการเมืองทําไมซัดกันในสภาเนี่เรื่องกัญชาล่ะ มันกลายเป็นความคิดด้านการปกครองแล้วไนงะพักหนึ่งก็ต้องการเขาต้องกา ร, า ก, ารการชาเสดีอ่ะพรักอื่นก็ไม่ต้องการถ้ถาทำไมาไม่มองว่ามันความเห็นความคิดทัศนะด้านความคิดเห็นอ่ะทำไมต้องมาซัดกันขนาดนี้ ถ, าาถึงขนาดที่บกว่าต้องกล่าวหากันด้วยว่าไ อ, อ้นีนมน่มันไม่หวังดีกับประเทศชาติไอ้นี่มันไม่ไม่เห็นไม่หวังดีกับ สถาบันครอบครัวเลยใช่เพราะถ้าเรามองถึงผลกระทบของมันเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันมีความชอบในการที่จะโจมตีกันอย่างรุนแรงเพราะผลกระทบนี่มันรุนแรงนี่ก็เหมือนกันถึงคดีต่อสู้กันเชีเหรอจากรวัดินิยมซึ่งส่วนมากก็เป็นฝรั่งนะฝรั่งผิวขาวจากรวัดินิยม ขายฟินประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ร้อยกว่าปีฟินฟินนี่นำเข้าเหมือนเหมือนข้าวเหมือนบุหรี่ไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ขครปลูกขครปลูกขายขาย อ, อังกฤษประเทศประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่เขานำมาซึ่งความทันสมัย พ่อจีนเห็นชาวบ้านเนี่ยโอโยเสพสินกันงอมกันนั่งประเทศเลยไม่มีคนปลูกนาแล้วไม่มีคนทํางานแล้วงอมกันนั่งประเทศเลยจักรบัิออกบัญชาเฮ้ยกระบาดฮ่องเต้ตอนนั้นฮ่องเต้ออกบัญชาห้ามขายบินนี่น่าเชื่อเลยอังกฤษทาอะไรประกาศสงครามอ่ะ กสงครามมาแล้วเพราะเขาไม่เห็นด้วยเขางดในสิ่งที่เราไม่งดอ่ะ uh huh. เขาอนุญาตในสิ่งที่เราให้เขาไม่อนุญาตในสิ่งที่เราอนุญาตอ่ะและทุกวันนี้นี่นะทุกวันนี้เนี่ยอังกฤษยงไม่เคยออกมาขอโทษสงครามนี่คนตายเป็นแสนนะคนเสียชีวิตเป็นแส น, นในสงครามเนี้จีนยอมลงทุนต่อต้านกับ จะกวาดนิยมตัดความสัมพันธ์ประกาศสงครามค่อนข้างใหญ่หลวงมากเลยนะเพราะอะไรเพราะความเสียหายของฝิ่นนี่มันทําให้ทําให้พลเมืองประชาชนไร้ค่าเลยไม่มีความหมายเลยแต่นี่คนที่ฆ้าฝิ่นค้าเสพติดเนี่ยมีตัวตนประกาศตัวเองชัดเจนใช่ไหมและก็ยอมที่จะระดมอาวุธของตัวเอง อาหารของตัวเองเพื่อเพื่อประกาศสงครามกับกับประเทศที่ไม่ยอมไม่เขาขายฟินในประเทศของเขาด้วยนะคืออังกฤษนี่ที่ประกาศสงครามนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะจีนเฮ้ยจีนมายุ่งอะไรมาห้ามมาข้าห้ามขาฟิน ข, ขายฟินที่ที่ประเทศอังกฤษจีนไม่ได้ยุ่งนะประเทศอังกฤษนะที่บอกว่าเองนี่ห้ามเอาฟินนี่มาขายที่แป็นดินของฉันอังกฤษประกาศสงครามอต่ทุกวันนี้เนี่ย อังกฤษก็ยังไม่ได้ขอโทษนะแล้วประเทศฝรั่งเนี่ยแ ม, ม้แต่ประเทศเดียวเนี่ย ม, ม่มีใครออกมาด่าทอมาไอ้พวกระยำพวกล้าหลังพวกที่สร้างความเสียหายกับมนุษย์ไม่เคยมีใครมามาวิจารณ์ประเทศอังกฤษประอังกฤษส่วนมากถูกยกลงอม เ, เป็นประเทศจกักรวรรดินิยมนํามาซึ่งความเจริญที่จีนเจริญนี่นะครับอังกฤษนะที่ประเทศที่ที่เขาเขาไปยึดครองอะไเอินเดียเนี่ยโอ้นี่ อินเดียนี่ฟังไม่รู้เรื่องได้ยักก๋ยังได้ศรีษะอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ยังน้อยนี่ยักแล้วก็มีพูดภาษาอังกฤษด้วยนี่เวียดนามมาที่เขาจเจริญนี่เพราะอะไรฝรั่งเศสฝรัร่งเศส เ, เข้าไปสอนเนี่ยเขามักจะถูกยกย่องจา ก, กระวัดินิยมแต่เรื่องระยะอื่นๆที่เขาทานี่นะพอสลับด้านกันนะ ตอลิบันก่อนที่จะบุชจะมาจะมาล้างจะมาลบละจะมาประกาศสงคราม <c oughs> ล้มรัฐบาลตอลิบันสาประชาชาตินี่มองว่าตอลิบันประสุความสำเร็จในการในการกวาดล้างการปลูกฝิ่นซึ่งอัฟกานิสถานนี่ถือว่าเป็นแหล่งอันดับหนึ่งของโลก เกาบปรซของฟิลนในโลกนี่ที่เขาเสพกันกำลกันทั่วโลกนี่นะ้ารนี่มาจากอบกาับคานิสานทำไมอ่ะผมบอกอับคานิสานเนี่ยเป็นภูเขาแลวเป็นภูเขาแบบเป็นภูเขาที่แบบว่าปลูกปลู ก, ปกเป็นสวนปลูกได้อะ่ะปลูกฟิล์นี่ปลูกว่าเล่นลแหละแถมไม่ต้องลงทุนและขายแพงตาลิบันนี่สาประช า, ชาตินะรายงานสาประช า, ชาติเนะี่ยบอกว่าเก้าซต ตลริบันสามารถกวาดล้างหมดนะไม่พอใจแต่มันเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไปดูสถิติคนที่เสียชีวิตและการรับความเสียหายจากการเสพฝิ่นสิ่งเสพติดเนี่ยนะที่ประเทศอเมริกาและคนที่รับผลกระทบจาก การก่อการร้ที่เขาอ้างงานอะาวุธของกอยด้งนะี่ยที่อเมริกานะอเมริกาเนี่ยรับผลกระทบจัดฝีนมากกว่าแต่ดันไปประกาศสงครามกับตาลิบันแถวอนัคกานิสฐานนะ่ะนะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยเพื่อจะได้ให้ความเสียหายเกิดขึ้นมาใหม่จริงด้วยพอตอลิบันเนี่ยไปแล้วนะก็กลับมาฟุงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มปรับปาเม็กแล้วตาลิบันเนี่ยก็เริ่มกวาดล้างอีกและวไอ้ของแบบนี้นี่นะไม่ชอบ อต่ก็นี่จะมีมนุษย์คนหนึ่งได้ดํารงซึ่งหลกักการศาสนาคําสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยแน่นอนต้องมีคนที่ไม่หวังดีเราจึงเข้าใจว่าที่อัลเลบอกว่าลายุฮรริมูนมาฮรรอมัลลอฮ์วะรอซูลไม่ไม่งดในสิ่งที่อัลเลาะห์และห้ามสิ่งที่อัลเลาะห์และูลห้ามนี่แน่นอนอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆนะในยุค ข, ของท่านนาบีเนี่ย เปอร์เซียนี่เปอร์คนเปอร์เซียนี่ไม่ไว้เข่าไม่ไว้เข่าศาสนาอิสลามเนี่ส่งเสริม่ไว้เข่าแต่ไม่มีไม่เคยมีปรากฏนะว่าท่านนบีหรือซาราบะที่เขาไปไปประกาศสงครามไปพิชิตเปอร์เซียทั้งหมดเนี่ยอ๋อไปเปิดเบอไปพิชิตเปอร์เซียนี่เพราะเขาไม่ไว้เข่าไม่เขาเขาไม่งดในสิ่งที่นี่ศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใชเรื่องนี้นะ ที่อัลลอฮ์บอกว่าพวก เ, เขาไม่งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ละสุลที่อัลลอฮ์ละสุลห้ามไว้ไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องเล็ๆๆกๆดังนั้นไม่มีเคยไม่ไม่เคยมีปรากฏนะในประวัติศาสตร์อิสลามว่าประกาศสงครามาเพราะเพราะไอ้เรื่องจิบจิบแบบนี้ยไม่ใช่เขาเขาเ ข, าเขาประกาศสงครามเาพราะพวกนี้เนี่ยเขาไม่ตัดเล็บในรายการศาสนานทุกสี่สิบวนันต้องตัดเล็บ อันนี้อันนี้ศาสนาไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่มาเอาเรื่องกับประเทศชาติทั้งประเทศชาติอย่างเงี้ยมาเอาเรงเไม่ใช่นี่เป็นเรื่องวินัยส่วนตัวมากกว่าแต่เรื่องที่มันที่มันส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์นะ่ะนี่แต่ทุกวันนี้ที่ค่อยอมไม่ยอมเข้าใจกันไม่ยอมเข้าใจกันนะ่ะทําไมทําไมมุสลิมเข้มแข็งแล้วก็ต่อต้านเรื่องสิ่งอบายมุกอย่างรุนแรง พอเรื่องนี้มันกระทบไกระทบกระทบความมั่นคงความมั่นคงของบุคคลของสถาบันครอบครัวของประเทศชาติวะลายาดีนูนาดีนัลฮักต์ม่นั่นดีนัอูตุลกขิตาบะพวกเขานี่ไม่แสดาต่อนแลวันปรโลกและไม่งดเว้นในสิ่งที่อลลระซุลห้ามไว้และไม่ปฏิบัติลายาดีนูนไม่ปฏิบัติดีนัลฮักต์ตามศาสนาแห่งความสักดะ ก็ไม่เชื่อตามศาสนาแห่งศัจธรรมที่อัลลอฮฺสุลฮานาอูตาห์และได้ให้ท่านนับียรมามาประกาศไว้มีเนลลัดีนอูตุลกิตาบะอันได้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคำพิให้ต่อให้ต่อสู้กับพวกมันซึ่งในยุคนั้นในอย่างที่บอกในยุคนั้นน่ะไม่มีน่ะอัลกิตาบโดยเฉพาะโรมันซึ่งสุรัสต์เตบะนี่อย่างที่บอกปีที่เก้าก่อน สงครามพิชิตมั ก, ก้าเนี่ยก็ปีที่แปดฮิโตรสการาตเดือนยูมาดานุน้นได้เกิดสงครามมุตะซึ่งเบาะแสที่ท่านนาบีรับรู้่าโรมันเนี่ยได้เตรียมกองทัพสองแสนคนเนี่ยเพื่อจะได้มาบุกรุกบุกรุกคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าท่านนาบีเริ่มกําลังขยายอนณาเขตอํานาจของท่านซึ่ง โรมันเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นความสําคัญของคาบสมุทรอาหรับเลยมักจะให้เผ่าอาหรับเผ่าหนึ่งเชื่ออซาซินะเนี่ยซึ่งเป็นเผ่าอาหรับที่รับใช้โรมันเนี่ยหลายศตวรรษจนนับถือศาสนาคริสต์ไปเลยเนี่ยอซาซินาหรือบรรดอัสซาเนี่ยและจะให้เผ่าอาหรับเนี่ยเป็นคนที่ปราบถ้าอาหรับเผ่าไหนนี่มีปัญหาอะไรก็จะให้เผ่าอซาซินาไปจัดการซะแต่คราวนี้เนี่ยวโอ้คนอย่างมูฮัมมัดเนี่ เริ่มไยสูงแล้วแบบนี้เขาปล่อยไม่ได้เออต้องต้องต้องจัดการเองมาเองเลยก็เกณฑ์ทั้งเผ่าก็สซีนาแล้วก็อาหรับที่รับใช้เขาเนี่ยแล้วก็เกณฑ์ทหารจากจากโรมันมาปราบท่านนาบีท่านนาบีก็เลยส่งส่งกองทัพแล้วก็สั่งให้มีแม่ทัพสาสามคน ได้แก่ไซดูมุฮาริซาเลกอับดุลไลบินอราวะฮ์กอัลเกอจาฟารีบินอบดุลอบสามคนแล้วกว่าถ้าสามคนเสียชีวิตให้ข้อลิดหัวี่เป็นแม่ทัพและนบีส่งกองทัพนี่กี่คนพี่น้องรู้มามกี่คนสามพันคนสามพันคน ส่งไปส่งไปสู้กองทัพสองแสนคนแม่ทัพสามคนแรกนี่เสียชีวิตหมดซึ่งรายละเอียดมีเยอะนะเรื่องล่าเล่านะแต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเวลานี่แค่สรุปแม่ทัพสามคนนี้ก็เสียชีวิตค <c oughs> ายินัวลีดเนี่ยก็เลยวางแผนที่จะที่จะออกจากสถานการณ์จากสมรภูมิด้วยความเสียหายที่น้อยที่สุดเพราะกว่าสามแสนคนเนี่ย กับสามพันคนเนี่ยกองทัพของของมุสลิมเเสียชีวิตี่ประมาณสามสิบกว่าคนแต่กองทัพของของโรมันเเสียชีวิตในหลายร้อยคนแต่คอาโลีตเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ต่อเพราะไม่มีความเป็นไปได้อะก็ถือว่าได้รับชัยชนะส่วนหนึ่งที่ทําให้สองแสนคนเนี่ยได้รู้ว่า แค่สามพันคนเนี่ยเขายังกล้ามาสู้นะยังกล้ามาสู้นะแต่ที่ผมอยากจะถึงจุดดีว่าสองแสนคนนี่นะซึ่งท่านนาบีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับโรมันท่านนาบีเคยส่งจดหมายส่งสารกับสหฮาบ้พไปให้เฮเรคลีสหรือเฮรอกเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมันในยุคนั้นเชิญชวนให้รับศาสนาอิสลาม เขาเขาเชื่อว่านี่คือระซูลของของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรเลยตัวเฮริคลีสเองนี่ก็มีหลักฐานบนมันที่อิบราฮิมัตเนี่ยตัวเขาเองนี่อยากจะอยากจะศรัทธาเนาะจอดได้ได้นําเรื่องนี้มาอธิบายฮะดิษบุญดิษเบฮูฮอรีเนี่ยว่าเฮริคลีสให้สหายที่เอาจดหมายของท่านนบีนี่มานี่ แล้วก็เชิญชวนผู้นำขุนนางลักบาตหลวงที่เป็นผู้นำเนี่ยในอาณาจักรเนี่ยมาหมดเลยแล้วก็ให้ซอฮาบะนี่ได้อ่านจดหมายของขัณ น, นาบีแล้วตัวเองก็เสนอทัศนคติของตัวเองว่าเออนี่แหละคือศาสนาที่มาจากพระผูเป็นเจ้านี่ฉันเชื่อฉันศรัทธาจริงๆขอแค่นั้นนะพวกขุนนางพวกอะไรเนี่ยก็เริ่มเริ่มแสดงความไม่พอใจ เขาก็เลยไล่สหาบ้าเนยออกไปเราะว่าจเย็นๆฉันแค่ทดลองดูว่าพวกท่านนี่จะจะเข้มแข็งหรือเปล่าเอ็บนาฮจรได้ที่ความบอกว่าเฮรกิลิสดูเหมือนว่าแกลดูว่าเออถ้าหากว่าเขาเห็นด้วยก็คงจะสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็เลยพลิกสถานการณ์เป็นผู้ปฏิเสธสถาไปเลยก็สรุปว่าเฮรกลิสเนี่ย ก็แสดงความคิดเห็นที่จริงเขาบอกว่ากษัตริ์เฮริลิสเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์มากที่สุดตอนนั้นนะในในยุคนั้นนะแต่เขาไม่สามารถที่จะยืยนยันตามสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็ต้องตามกระแสส่วนมากก็จริงเพราะในสงครามมูตาเนี่ยเขาเองอ่ะเป็นคนที่ส่งกองทัพสองแสนคนทั้งหมดนี่เป็นอุลกุราบนะทั้งหมดนี่เขาไม่เคยมีปัญหากับท่านนบีนะแต่ทําไมต้องส่งกองทัพสองแสนคนเนี่ยไปปราบ ท่านน บ, บีมุฮัมมัดนอกจากว่าถ้าเขาเขานี่ไม่อยากให้ท่านน บ, บีและสหายเนี่ยได้มีโอกาสประกาศความสัจจริงของศาสนาอิสลามได้สงแสนนะไม่เคยนะอาหรับในปะวัตาส์อาหรับทั้งหมดเนี่ยไม่เคยที่จะไปประทะกับกองทัพมาฮานขนาดนี้นี่ที่ไปที่มา ولا يدينون الدين الحق من الذين أُوتوا الكتاب دايكا ฮิยาดายคา بن دعبوتي د าย رب ك م ب อายะดีย the ีสแปดนี ai, ่กำหนดอนาขตของมก้าในมุสริมเนี่ยเขานะและไม่ใช่แค่นี้นะโอ้พลเมืองมุสลิมทั้งหลายพวกเจ้ายังจะมีหน้าที่ไม่ใช่ห้ามมุสลินเข้ามาอีกนะแม้กระทั่งมุสรินที่เป็นปฏิปักษ์กับราชอิสลามนี่นะ เขาจะต้องถูกต่อต้านต้องประกาศสงครามกับเขาอย่าลืมนะว่าตอนนั้นนะก็มีแต่เขาที่ประกาศสงครามกับมุสลิมอยู่แล้วนะต้องประกาศสงครามของเขาความเข้มแข็งในการที่จะตอบโต้เขาฮัตต่ยอตุลจีเซตจนกว่าพวกเขาจะจ่ายอัลกีเซียสันส้นๆนะครับจะได้จะได้เขา้าใจจนกว่าเขาจะต้องจ่ายภาษีทำไมต้องจ่ายภาษี พรภาษีเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันแสดงถึงอธิปไตยภาษีนี่อธิปไตยอธิปไตยของรัฐรัฐเก็บภาษีไม่ได้พลเมืองประกาศไม่ไม่ไม่จ่ายภาษีจำได้ไหมเมื่ออะไรขัดขืนจาไดไ้ก็คือไม่ยอมรับในอำนาจของรัฐ จะเป็นส่วนบุคคลของผู้นํารัฐนะแต่อํานาจของรัฐไงอะไรยะขัดขืนไม่จ่ายภาษียิ่งเนี่ยไม่จ่ายภาษีด้วยการอุทธรณ์ในองค์กรต่างๆที่รัฐได้ตั้งไว้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าอาะไรขัดขืนนะโยนว่าเขาบอกจ่ายภาษีล้านหนึ่งโอ้ยล้านนี้เยอะไปเป็นไม่ได้ผมขออุทธรณ์ขอร้องเรียนได้แต่มันอยู่ในกระบวนการที่รัฐตั้งไว้ นัดวางไว้แต่ถ้าไม่ใจเลยอาแสดงว่ารัฐรัฐนี้ไม่มีน้ํายาไม่มีอํานาจควบคุมบลรเมืองไม่ได้แต่พูดง่ายง่ายเนี่ยด้านเศรษฐกิจรัฐนี้ก็ไม่มีรายได้ที่จะบริหารประเทศชาติซาอุดีเนี่ยตั้งตะกอตั้งตั้งตะกอตั้งรัฐสมัยกษัตริย์ดูลาซีเนี่ยไม่เคยเก็บภาษีส่วนหนึ่งเพราะเป็นทัศนะของอุลามาว่า ห้ามเก็บภาษีภา ษ, ษีนี้เป็นเรื่องบาปแลเรื่องนี้อธิบายยาวนะทัศนิของอุลามาซาอุดีนเขาบอกว่าการเก็บภา ษ, ษีเหนือจากสกาดและอื่นๆที่เป็นที่เป็นภาษีรตามหลักการศาสนาเนี่ยทัศนอุลามาซาอุดีนบอกว่าบาปดเก็บไม่ได้เหนกระักระสืออัลอาซีสเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาที่ซาอุดีเนี่ยไม่เคยเก็บภา ษ, ษีนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งนเหตุผลที่สองเนี่ยมีน้ำมันแล้วไง รายได้รายได้ของประเทศไม่ไม่ต้องเก็บภาษีเนี่ยรัฐเนี่ยแจกตังให้ประชาชนด้วยซ้ำตอนนี้ผมอยู่ที่ซาอุดีเนี่กษัตริย์ทุกสองสปีเนี่ยเอาแจกเงินเดือนสามเดือนแจกฟรีเลยกษัตริย์ไปรักษาตัวเมืองนอกกลับมานี่หายดีเนี่ยอา้าวไฟฟ้าน้ำประปานี่เดือนสองเดือนนี้นี่ไม่เก็บเลยเขาเขมีไรายได้เ <c oughs> ขามีไรายได้ดีไงห้าสิบปีนะะสิบหกสิ 50, 60, 60, ปีเนี่ย ไม่เก็บภาีเนี่เก็บละนี่เก็บละและตอนเริ่มต้นนี่เก็บเก็บเก็บนี่เก็บแบบจกรจี้หน่อยนะเก็บจะได้ดูว่าคนจะยังไงอ้าคนก็โอเคนราคาน้ำมันนะ่ะน้ำมันนะ่ะพี่นู่นนะ่ะถูกกว่าน้าอ่ะพี่น้องซื้อน้ำมันน้ำดื่มมนะันน่ะลิตหนึ่งอนะ่ะหนึ่งหนึ่งเรีย น, นี้ไม่รู้หนึ่งเรียนได้ปะ ่ยงหนึ่งเรียนใช่ป่ะสองเรียนแล้วสองเท่าถ้ากนั้นนะ่ะขวดน้ำา ห, หนึ่งเรียนหนึ่งลิตรเนี่ยน้ำมันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเรียนคือน้ำน้านี่มันแพงกว่าน้ำมันอนะ่ะอันนี้เก็บละคือกาลังบอกว่าภาษียากรีนทุกยุคทุกสมั ย, ยถึงที่สุดนี่นะรัฐเนี่ยต้องกําหนดให้เป็นให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ ทำไมผมบอกว่ายิซียนี่ก็คือภาษีอันนี้อธิบายสั้นๆเราจะได้เข้าใจเพราะบริบทของกฎหมายเนี่ยพอเราเอ่ยคําว่าภาษีเนี่ยเออเราก็จะเข้าใจว่าแปลว่าอะไรแต่ที่จริงนนเนี่ยยิซียเนี่ยมันไม่เหมือนภาษีเรื่องแรกที่เป็นเรื่องสําคัญใช่ภาษีเนี่ยเราจ่ายภาษีกันนัะน่ะเกณฑ์ทหารไหมถูกเกณฑ์ทหารไหมคนที่จ่ายภาษีนี่ถูกเกณฑ์ทหารไหม กนนะ็เหดิซียนี่ชายภาษีเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะอาลุกีตารเนี่ยถ้า จ, าจ่ยายดิซียแล้วนี่นะไม่ประสงค์ที่จะสู้รบกับรัฐอิสลามเนี่ยไม่แล้วแล้วถ้าเขถูกข่มเหงถูกรังแกจากภัยภายนอกหรือภ า, ายในอ่ะนะรัฐอิสลามเนี่ยมีหนะ้าที่ต้องคุ้มครองเขาด้วยเหตุผลว่าเขาเป็นเป็นผู้จ่ายดิซียอยู่แล้วก็ต้องรับการความการความนี่คือข้อแตกต่างเดียวนะกี่ยราว่าง ระหว่า ง, ขงคขาว่าภาษีกับขคขาว่าดิเซยเยนี่มันก็คือมันก็คื อ, เ, อเงินหรือทรัพย์สินที่จะจ่ายแทนการอยู่อาศัยอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของรัฐอิสลามนี่นี่อแบบสั้นๆซึ่งดิเซียนี่ในยุคนั้นนะ น, นะครับทุกคน ที่ถือว่าต่างชาติหรือต่างศาสนาเนี่ยเขาก็จ่ายกันนะให้ถึงว่าอาหรับนีนเวลาเขาไปเข้าไปทําธุรกิจในแผ่นดินของโรมันเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีเขาก็จ่ายภาษีายูยอยู่ภายใต้อันนตดของโรมันเขาก็จ่ายภาษีในยุคนั้นนะอนาณาจักรโรมันก่อนที่จะเปลี่ยนศาสนา แต่ก่อนมันเป็นศาสนาคล้ายๆ ข, ของของกรีซศาสน า, ส น, านี่ที่บูชาเทวรูปเทวดาอะไรทั้งหลายเนี่ยใชและหลังจากนั้นประมาณหลังจากท่านนาบีอีซาได้เสียชีวิตสามรอปีเนี่ยเขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาอย่างเป็นทางการของอาณาจักรโรมันทั้งหมดได้เป็นคริสต์แต่ก่อนนั้นน่ะช่วงที่ท่านนาบีอีสากําลังเทศนานี่นะ สิ่งท่านนาบีซาและก็ชาวยิวเพราะท่านนาบีซาเป็นเป็นยิวไงเป็นบรรดอิสราเอลไงและก็คนที่ตามท่านนาบีซาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่าเขาไม่นับถือตามความเชื่อของโรมันเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีให้โรมันเนื่องจากว่าคนละศาสนาทั้งนั้นที่เขาเป็นพ ล, ลเมืองพ ล, ลเมืองในอาณาจักรโรมันนะบางพื้นที่ที่โรมันเข้าไปยึดเนี่ย ก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศ้วยซ้ำแต่ระมันเขาก็จัดเก็บภาษีกับคนที่ไม่นับถือศาสนาเหมือนเขาและในคัมภีร์ไบเบิล น, นี่ก็มีองค์การที่ลูกศิษย์ของ <c oughs> ของท่านนาบีซาได้ถามเพราะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเออทำไมเขา ไม่เชื่อถือเหมือนเราก็ไม่นับถือไม่ไม่ไม่มีศาสนาเหมือนเราแล้วเราต้องจ่ายต้องจ่ายภาษีให้ไกเซอร์หรือเปล่าไกเซอร์นี่ก็หมายถึงว่ากษัตริย์กษัตริย์ของโรมันต้องจ่ายภาษีเขาท่านอาวีสาก็บอกว่าส่วนของพระเจ้านี่ให้ทําหน้าที่ต่อพระเจ้าส่วนของไกเซอร์นี่ก็ต้องทําหน้าที่ต่อไกเซอร์ก็หมายถึงว่าเรื่องจ่ายภาษี สำหรับพละเมืองที่นับถือคนละศาสนากันน่ะก็เป็นที่เป็นที่รู้กันมาตั้งแต่ดึกดื่บรรดนสมัยนั้นน่ะก็เป็นเรื่องปกติปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่เอาไม่เอาไหนกับศาสนาเลยบอกว่าโอ๊ยคนพลเมืองนี่ที่อยู่ไปใต้อธิปไตยของรัฐใดนี่ยเอาเรื่องศาสนานี่มาเป็นมาเป็นสิ่งจำแนกอันนี้นี่เป็นความคิด เรียกว่าเป็นทฤษฎีทฤษฎีด้านการปกครองทฤษฎีหนึ่งคุณก็เสนอได้แต่อิสลามนี่ไม่เห็นด้วยแต่คุณมองว่าเอาเก็บภาษีจะเก็บภาษีเนื่องจากศาสนาเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้ใช่เพราะทฤษฎีการปกครองปัจจุบันเนี่ยที่ไม่เอาศาสนาเนี่เป็นเกณฑ์หนักๆนะก็คือเซ็กเซร์ลิสมเนี่ยก็แยก แยกศาสนาจากโลกเลยโลกนี้ก็คือโลกศาสนานี่อยู่ในสุราอยู่ในโบสถุ่นมัน ต, ต้องมายุ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเขาไม่ให้ศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งจำแนกในสังคมเลยไม่คนดีคนเด่นในสังคมไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาใช่อหมคนดีคนคนที่มีความมีสิทธิอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยนะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราจะไม่เอา อ๋อคนที่เข้าวัดมากกว่าน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอธิบดีนะเขาจะได้ไม่รับสินบนเก็บค่าตำแหน่งอะไรต่างๆเขาไม่คิดแบบนี้เขาไม่คิดแบบนี้ใครจะเป็นอธิบดีอ๋อก็ต้องต้องผ่านการอบรมกี่ครั้งเข้าสมาธิกี่ครั้งได้มีผลงานยังไงอะไรเงี้ยไม่สนใจแล้วคนนี้เขาจะมีศิทแล้วทำไม่มีศิทแล้วทาอะไรนี่อันนี้อันนี้ไม่ดีอยู่ในะไดบริบทแค่นั้นจริงจร ง, จง ทฤีในการปกครองนี้เนี่ยเขาไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องประหลาดว่าถ้าคนสําคัญที่มีตําแหน่งสําคัญแล้วก็สามารถซื้อขายกับตําแหน่งของตัวเองอะนะเขาจะเป็นคนที่กินเหล้าเป็นคนที่เที่ยวกลางคืนเราไม่เกี่ยวทั้งนั้นดิเรามองแล้วเนี่ยขอ้อเท็จริงอะว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสในการที่จะหาไรายได้เพื่อสนองความใคร่ของตัวเองมากกว่า ว่ของพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ตังค์ไคนกินเหล้าอย่างเี้มันต้องเงินเดือนอย่างเดียว น, นี่ไม่พอคนเดียวกันคืนอย่งเดียวเงินเดือ น, นไม่พอเขาต้องไปหาแหล่งรายได้อื่นๆไอศิลธรรมนี่มันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นจุดจำแนกเลยจินทาอิสลามไม่ใช่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยศิลธรรมต้องมาแรกเลยเขาเป็นด็อกเตอร์เขามีความเชี่ยวชาญเขาโอ้โหนี่บริหารยังยอดเยี่ยมทำให้ละหมาดอย่างเงี้ยโอ้เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นปรหลัดเป็นอะไรไม่ได้ทําไมอ่ะคนทรยด์กับพระเจ้านี่ก็มีโอกาสทรอยศกับคนทั่วไปเลยนี่ขนานดะพระเจ้าที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้บังเกิดเขาเองเนี่ยยังไม่ยอมสวามีพักเลยเฮ้ยคนอื่นจะเป็นยังไง น, นี่อิสลามมองแบบนี้ซึ่งข้อแตกต่างเนี้ยที่จะทําให้เราต้องเข้าใจนะว่าการจ่ายภาษีเนี่ยการจ่ายภาษีในอิสลามเนี่ยมันมี เหตุผลด้านศิลธรรมด้วยสดธิก็มูลนิธิมำไมต้องจ่ายไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับภาครัฐอย่างเดียวสําหรับสําหรับสังคมโดยรวมอย่างเดียวนะไม่สดธิก้อนี่เป็นประโยชน์สําหรับส่วนตัวเราชําระมูลทินของเรานี่เหตุผลด้านศิลธรรมเราออกสดธิก็เพราะเราต้องการเราต้องการประโยชน์ของสนธิก้อนี่ ย้อนกลับมาหาเราก่อนที่ประโยชน์ของสากรอนี่ไปยังคนยากจนไปยังสาธารณประโยชน์ต่างๆในสังคมมุสลิมมีความเชื่อแบบนี้จิซียก็เหมือนกันจิซียนี่นะมันก็มีมีเหตุผลเดียวคือให้เขาเข้าใจว่าให้เขาเข้าใจว่าการทีเขาการทีเขาอาศัยอยู่ภายใต้อธิปไตยอำนาจของรัฐอิสลามเนี่ยต้องมีการยอมรับในเรื่องนี้เรื่องนี้ เรื่องเดียวจึงอิสลามเนี่ยไม่ได้กำหนดกุตาลและสุนนะของท่านนาบีไม่มีการกำหนดว่าภาษีของต่างศาสนาเนี่ยจะต้องเก็บเท่าไหร่ไม่กาหนดแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกทั้งรัฐทั้งคนต่างศาสนกเห็นในประวัติอิสลามเนี่ยได้จะรยกไว้ว่า บางรัฐนี่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของขอ ง, ของอิสลามเนี่ยจ่ายเยอะเนื่องจากว่าประเทศนั้นนะเป็นประเทศที่ไรายได้คดีแต่บางรัฐเนี่ยจ่ายน้อยน้อยมากด้วยเนื่องจากว่าประเทศนั้นนะเป็นประเทศที่ไรายได้ไม่ค่อยดีอีกอย่างนึงของภาษีจีเซียนี่ภาษีนี่จ่ายต่อรายบุคคลหมายถึงว่าเป็นภาษีพลเรือนนับหนึ่งคนให้จ่าย และจ่ายนี่เฉพาะคนที่แข็งแรงฉะนนั้นสตรีเด็กบาดหลวงคนป่วยคนชราไม่เก็บภาษีและทรัพย์สินของต่างด้าไม่คือภาษีอันนี้อันนี้ตามตามหลักหลักการเก็บภาษีนะไม่เก็บภาษีไม่เก็บโซดา ก, เก็เหมือนเขามีกลุ่ม กลุ S <S ่มคริสต์อารับท right. so, ี่เขาไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยเผ่าหนึ่งดังมากคือบรรูตะกลิบบรรูตะกลิบเนี่ยเป็นอารับอารับที่เขานับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์พออิสลามได้บกครองเข้าสมุทรอารับเนี่ยก็เก็บภาษีะพราะคุณเป็นนสรอใช่ไหมคุณเป็นนสอรอเอาเก็บภาษีบรรูตะกลิบนี่เขารู้ว่า อ้างแสดงว่าเก็บภาษีจากเราเนี่ยเป็นนโซเราเป็นต่างเศนึงเนี่ยแล้วก็พวกมุสลิมนี่พวกมุสลิมเนี่เนื่จะกว่าเป็นมุสลิมเขาเก็บซะแล้วก็พอมุสลิมเนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นคนสําคัญในรัฐไงฮัลล์เ้ยถ้าจิซียนี่เราไม่จ่ายอยุคอุมรอนขับนะเพราะมุสิกจีซียนมัแค่นี้นิดเดียวเขาไม่จ่ายไม่จ่ายเพราะ มันจะทําให้เราถูกมองว่าเป็นคนต่างศาสนาและคนต่างสชาติเนี่ยในมุมมองของการบริหารอิสลามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนคนชนคนต่างชาติ น, ตาาตนึกออกที่ผมเคยอธิบายเหมือนคนต่างชาติเฮ้ยไม่ได้จะมองว่าเราเป็นคนแบบเป็นพลเมืองชั้นสอย่างเงี้ยไม่ได้เอาแล้ว้ายังไงต้องจ่ายนะงไงภาษีอิสราเอก็ต้องจ่ายนะไม่จ่ายอิซราเอลนี่ถึงน้อยก็ไม่จ่ายถ้าจะให้จ่ายเนี่ยเราจ่ายสอดรกับะกาดเหมือนมุสลิม ทำไมอ่ะเราจะมองเราว่าเป็นต่างศาสนิกเป็นคนน้อยเป็นคนชั้นสองนี่ไม่ได้เราใจาเหมือนมุสลิมองค์มหาราชบอกว่ไม่ได้สิถ้าจะใจ่ยรยภีเหมือนศรัทธาเหมือนมุสลิมนี่มุสลิมเนี่ยมันเป็นไอบาดาปรากฏว่าพอท่านองค์มหนีาชไม่ยอมรับที่จะให้เขาจ่ายศรัทธาเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งของเขาเนี่ยได้ลีภัยออกไปอยู่ไปอยู่ไปขอลีภัยที่โรมัน ก็มีที่ปรึกษาของอโมรุขตอบอกว่าท่านครับบานูุตกริบเนี่ยเป็นนักรบนักสู้ผู้กลานะาก้าหาญนะถ้าหก็พวกเขาทั้งหมดเนี่ยประกาศกบฏเนี่ยเราเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะเพราะนี่ไม่ใช่อารับถึงอารับเนี่ยเขเป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เป็นนักรบแล้วมีฐานะด้วยแล้วก็ให้ท่านอโมรุขต้อมนี่ระดับ ข, ขลิฟ้านี่มีความรู้ด้วยนะ ที่อุษาเขาเนี่ยที่อุษาเนี่ยเขา ร, รู้รู้รู้เรื่องเรื่องการเมืองเรื่องเขาบอกว่าก็ ร, รับรับรับที่เข้าใจาเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนากรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลบุญอยู่แล้วแต่เราเนี่ยอ่ะรับคุณคุณจะมองว่าเอออันนี้เป็นสนากรก็สนแต่เราเนี่ยรับเรารู้ว่ามันดีซสียอยู่ดีคือเขาไม่ได้รับ จ่ายดิเซียเป็นรายบุคคลนะไม่ผมก็ใจมันมุสลิมเลยมุสลิมก็าจ่าสากาดเขามีทรัพย์สินยังไงมีเงินเท่าไหร่นี่จมีประชุษะในงานจ่ใยเขาจายเมันมุสลิมเลยซึ่งมันมากกว่าดิซียนี่หลายเท่าผมขับรถบออ้าเอา้าเอา้ถ้ายอมใจเองก็ยอมใจและนี่ทัศน์อุลามาส่วนมากนะครับบอกว่าการจ่ายดิซียเนี่ยเป้าประสงค์สําคัญของดิซียเนี่ยอธิปไตยอย่างไงกต้องจ่ายดิไม่จ่าไม่ได้ แต่เองจะมองว่ามันเป็นจิเซียมันจะมองเป็นภาษีเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอียิต์ตอนที่ออควา น, นี่เกือบจะเป็นฝ่ายบริหารเนะ่เขาก็เริ่มคือตอนนั้นไนะอควานเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะการปกครองที่เขาบอกอ ก, บอก็จะพยายามปกครองในระบบอิสลามเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องจิซยอะไรเลยนะแต่คริสตเี่ยก็เริ่มร้อนกันละเ้ยเราจะ จะถูกเก็บดีเยียกันเหรอมันเนี่ยเราเป็นคนละเมืองเราเป็นคนอีบเหมือนกันจะจะมาเก็บจะมาเก็บก็มีผู้รู้ก็บอกว่ากูเบาก็กระจายพวกเองกระจายนี่แหละกระจายภาษีเหมือนคนทั่วไปนี่แหละเพราะดีเซีเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายอุลามา ห, หลายท่านเนาะไม่ได้มีเป้าหมายว่าเออจะต้องคือจะต้องเออมีใบเสร็จออกมานี่มึง จ, จ่ายดีเซียเออยอมรับบอกกู <c oughs> ไม่ไม่จําเป็นมีความยืดหยุ่นของอิสลามอ่ะเออไม่ต้อง เองไม่อยากจะจ่ายเป็นในานามยิเซียนี่ไม่เป็นไรแต่ต้องจ่ายให้เข้าใจว่าหมายถึงว่าคําว่ายิเซียนี่เราไม่ต้องการที่จะให้เขาเออเหยียดหยามเหยียดสีอะไรงี้ยไม่ใช่แต่ให้เขาต้องยอมรับในอํานาจของรัฐมันเกินเกินความชอบมเปล่ามีความชอบมีเหตุมีผลต้องจ่ายดิยังไงก็ต้องจ่ายเพราะนี่คืออํานาจของรัฐและการจ่ายภาษีเนี่ยถือว่าเป็นการ สะดวดีเป็นการยอมรับในอำนาจของรัฐนี้คำว่าฮัตเตอร์ยอตุลดิเซตาเยดิวฮุมส์สรุนจนกว่าพวกเขาจะจ่ายเอลดิซียจากมือของพวกของพวกเขาเองจากมือนี่หมายถึงว่าด้วยความสมัครใจในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ที่ต่ําต้อยอันนี้เนี่ยก็อยู่ในทํานองในบริบท ในในตอนนั้นนะนะครับว่าเขามีภาวะสงครามด้วยกันฉะนั้นการที่จ่ายภาษีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยอมรับในอานาจในอธิปไตยก็คือความต่ำต้อยของของฝ่ายที่เป็นคู่อริเป็นผู้ประกาศสงครามออฉันไม่ไม่ไม่รบละฉันยอมจ่ายซีเซียอ่า น, นี้สภาพนั้นนะมันก็ต้องต้องต่ำต้อยไง เพอไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเขาไม่ต่ําต้อยเนี่ยเขาจะยอมจ่ายหรอถ้าเขายังเป็นผู้ชนะยังเป็นผู้กล้าหาญยังเป็นผู้ยอมสู้ต่อเนี่ยเขาจะยอมจ่ายทีเสียเหรอเขาต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในภาวะที่มีสงครามต่อเนื่องกันแบบเนี้เขาต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และเป็นฝ่ายที่ยอมรับในอำนาจของรัฐในยุค น, นั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอุลามาบางท่านเนี่ยที่บอกว่าอ๋อต่ําต้อยนี่แสดงว่า ต่างเส้นเวลาเขาจะมาจ่ายิซียเนี่ยต้องคุกเขา่าแล้วต้องอแล้วต้องแสดงความดั่ต้อยแล้วก็ห้ามแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทัศนคอุลมามังคนเน่ยก็มีอุลม า, ามาัมาตอบมาตอบโต้บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็ น, ม, น, ปนมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่เสริมกันไปเสริมกันมาจากภาวะสงครามเพราะตอนนั้นนะ่ะตอนที่อุลามาบางท่านเนี่ยได้ได้ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่า มุสลิมที่ไปอยู่ที่ไปอยู่ในแผ่นดินที่ไม่ใช่อิสลามนะ่ะก็ถูกสั่งให้เก็บดิเซียห์มุสลิมตัวเองก็จ่ายดิเซียห์ด้วยนะแล้วก็ถูกเก็บดีเซียจากมุสลิมเนี่ยหมายถึงภาษีจากมุสลิมเนี่ยคือต่างศาสนิาเนี่ยต่างศาสนาที่ไม่ใช่คริสไม่ใช่อะไรเงี้ยนะเขาต้องจ่ายแล้วก็จ่ายในสภาพที่ต่ำต้อยเหมือนกันก็เลยอุลามาก็เลยว่าต้องโตเหมือนกันนะ่ะเพราะนี่ศาสนาก็บอกเขาก็ต้องต่ำต้อย แต่อุลามาอุลามาส่วนมากเขาบอกว่าไม่มีหรืาต่ำต้อยนี่แม้กระทั่งสมัยท่านนาบีอ่าหรือสมัยซอราบ้าเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเวลา จ, าจ่ายดีเซีเนี่ยออรเราต้องคุกเข่าต้องทำอะไ ร, รเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยเพราะคําว่าต่ําต้อยนี่อันนี้ตามบริบทที่เคยเกิดขึ้นในยุคนั้น น, น, นะครับที่มีสงครามระหว่างกันแต่เรื่องที่ต้องทราบแล้วก็มันไม่ดีนะครับว่าดีเซียเนี่ย ครั้งสุดท้ายนี่ที่ถูกเก็บบนโลกใบนี้เนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยปีที่ผ่านไปแล้วถูกเก็บ จ, จริยจิงนะครับจากรัฐรัฐอัลจิราหรออัลจีเรียที่ตอนนั้นนะ่ขึ้นอยู่กับอาณาจักรออตโตมันซึ่งอาณาจักรออตโตมันเนี่ยได้แต่งตั้ง ให้กองทัพเรือของ阿ลจิเรเนี่ยโดยมีแม่ทัพชื่อไครุดินบาร์บรุสซาได้เป็นแม่ทัพที่ดูแลทะเล เ, เมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยพอตอนนั้นนะ่ะอาณาจักรโรมันนี่เมื่อประมาณสองสามร้อยปีนี่ก็ทะเล เ, เมดิเตร์เนียนี่ครอบคลองหมดเลยอาณาจักรโรมันนี่ครอบคลองหมดเลยก็ได้แต่งตั้งไคลรุดินบาร์บรุสซาแล้วก็ทหารเรือของ รัฐ阿尔จิเรียเนี่ยได้เป็นคนที่ดูแลและตอนนั้นนะ่ะอเมริกานี่นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งก่อตั้งและก็เริ่มทําธุรกิจแล้วส่งสินค้าไปขายทั่วโลกแล้วจึงส่งเรือมาที่ประเทศมาที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะได้ไปขายสินค้าในในแถบประเทศอาหรับทั้งหลายเนี่ยอีย ب, ิปต์ริเบียอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่า จะร่อนไปร่อนมาโดยไม่มีการจ่ายภาษีแต่ทหารเรือของอาณาจักรอุตมานนี่บังคับให้ให้กองเรือของของอเมริกานเนี่ยจะต้องจ่ายดิเซียซึ่งเ อ, เอกสารที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการ จ, จ่ายดิเซียให้อาณาจักรอุสมันในยุคนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการ จ่ยดีเซียให้อาณาจักรอิสลามหลังจากนั้นนะครับอาณาจักรอุษมันนี่ก็เริ่มเริ่มอ่อนลงแล้วก็เสื่อมเสียและสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นเหมือนเป็นคนอ่อนแอที่ไม่มีอํานาจใดๆในพื้นที่ต่างๆในโลกมุสลิมและสุดท้ายนี้มุสลิมทัวโลกเนี่ยกลายเป็นคนที่ จ, จ, จ่ายภาษีจ่ายดิเซีย ให้ประเทศมาอํานาจต่างๆอืจะได้คุ้มครองเป็นข้อตกลงที่เขาไม่อับอายกันนะอ่ะอาราจักบาลลังต่างๆในโลกอาหรับโลกมุสลิมเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีด้วยข้อตกลงด้วยออนุญาตให้ให้ครอบครองบาลลังแต่ต้องมีน้ํามันนะแต่น้ํามันเลยนะต้องอํานวยเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะอืมอันนี้ คือถามว่าประเทศจักรวรรดินี่เขาเก็บจากประเทศอื่นไหม อ, อเมริกาอังกฤษเนี่ยเก็บจากโนเวย์ไหมโนเวย์ก็น้ำมันนะประเทศน้ำมันรวยนะเก็บเก็บเหมือนกันไหมไม่เก็บแล้วทำไ ม, กมนน เ, กนนเก็บจากประเทศอาหรับอย่างเดียวดิเซียเหมือนกันแหละนะพอเขามองอาหรับและมุสลิมนี่มองว่าเป็นคนต่ําต้อยไงเป็นคนที่บริหารตัวเองไม่ได้ปกครองตัวเองไม่ได้ไม่ น, นี่ และนี่คือสภาพที่เราได้เห็นกันว่าในการต่อสู้ในการต่อสู้ระหว่างอริยธรรมต่างๆเนี่ยมันจะถึงขั้นที่มีความดุเดือดที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมองเรื่องผลประโยชน์เพราะมันเป็นสัญญาณบ่งถึงอำนาจที่มันจะเกิดขึ้นอัมพูชา ลาวจะขุดบ่อน้ามันในหน้านน้ำหรือในแผ่นดินของตัวเองนี่แต่หากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีความแข็งแกร่งนี่นะโอ้เขาเขาทำอะไรก็ได้เขาจะไปขุดบ่อน้ามันถึงแม้ว่าอนณาเขตของบ่อน้ามันเนี่ยมันลามไปถึงแผ่นดินไทยเนี่ยเขาก็ทำได้ แต่ประเทศเนี่ยไม่แข็งแกร่งไม่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองอะนะหนี่ไม่พ้นนะครับผลประโยชน์ของเราเนี่ยเสียหายหมดนีก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจนะว่าร ะ, ระบบ ก, การปกครองของอิสลามเนี่ยไม่ได้ว่าจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีศีลธรรมแต่ไม่แข็งแกร่งไม่มีความหวงแหนต่อผลประโยชน์ ขอคนที่อยู่ภายใต้การดูแลใต้อานัตการการปกครองของรัฐใช่สลามก็ต้องการให้เราได้เป็นคนที่มีมีความกระตุลร้อนมีความมีความเข้มแข็งในการที่จะบริหารผลประโยชน์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแม้กระทั่งในมิติของการแข่งขัน ระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรในปัจจุบันน่ะนักธุรกิจมุสลิมมันะใช่ใช่เราเป็นคนที่ยึดในศีลธรรมยึดในคุณธรรมก็จริงแต่เวลามีการแข่งขันเนี่ยเราเราไม่ควรที่จะแบบว่ายอมง่ายๆในในการคุกคามในการในการเหยียดหยามในการในการที่จะริดรอนสิทธิในการบังคับที่จะยอมรับในเงื่อนไขที่มันการการเสียเปรียบ อันนี้เราก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะมุสลิมใจดีก็จริงมุสลิมมีศีลธรรมเป็นคนดีเออเพราะบางคนเนี่ยก็จะดุนยานี่นเรื่องเล็ดุนยาเนี่ยเราเรื่องดุนยาเนี่ย อ, อ, อย่าไปอย่าไปแล้วใช่มันมันก็ใช่มันก็จริงของมันน่นแหละแต่ถ้าหากว่ามันเกิดทําให้เสียเปรียบเสียผลประโยชน์แล้วคนอื่นก็เสียหายไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะครับ เดียวมีเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องดิจิญาหนิยังต้องอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อะยะถัดมานี่มันก็ต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ที่เป็นเรื่องสัจจริงเรื่องความถูกต้องอที่อัลลอฮฺสุบฮานาวดาเราต้องการให้เราได้ได้ยึดมาเป็นมาตรฐานมาตรฐานเกี่ยกับเรื่องเรื่องการตั้งพาคี่ซึ่งมันเป็น มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติของคนละเมืองคนละเมืองที่เป็นอุศตาคนละเมืองที่ไม่ได้เป็นผู้สรัทธาอะไรที่มันเป็นมาตรฐานเรื่องความเชื่อตรงนี้อายะทัดมาอายะที่สาสิเนี่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แต่เนื่องจากเวลาไม่พอก็ต้องยกยอดไปยังสัปดาหนะครับอินชาอัลลอฮฺอัสซาลาัลลอฮฺอัลลนบีนามุฮัมมัดีวยะฮฺอัลลอฮสซาบิยุสซาลลัมซลลมอะลัย კ ุมุลัรอฮมุตุลลอฮฺยอบะระกาะพี่น้องมีคำถามไหมนับจากเวลาที่เช็ทีู่ อ่าอีกวันหนึ่งถูกต้องครับนับหนึ่งวันหนึ่งคืนตั้งแต่เวลาที่เราได้รูปอันนี้ทัศนาที่ถูกต้องนะครับทัศนาบางทัศนาบอกว่านับจากเวลาที่เราได้อาบน้ําละหมาดแล้วก็สวมรองเทา้าซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันบางทีเนี่ยเราอาบน้ําละหมาดแล้วก็สวมรองเทา้ากว่าจะใช้สิทธิ์ในการเช็ดหรือรูปตรงเท้าเนี่ยเราอาจจะเที่ยงใช่ไหมหมอเขาบอกว่าไม่นับจากเจ็ดมง เมงที่อับน้ำละมานไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยงที่เช็ดนะเนี่ออกมามันก็จะต่างกันตรงนี้แต่ต่างกันนิดหน่อยไม่มันไม่เยอะหรอกแต่ใส้ถูกต้องเนี่ยนับตั้งแต่ลูกตั้งแต่เช็ดเป็นต้นไปครับอย่าอายุอยุ่มาอายุนี่เป็นเรื่องใหญ่อย่าอาุมาอายุเนี่ยคือท่านนบีเล่าถึงเรื่องลักษณะของเขาลักษณะเยอะนะมีทางทาที่สไอบ์แล้วก็มดด้วยด้วยแล้วมีทางที่ซอยทางที่ซอยนีว่ตัวเล็กแล้วก็หน้าแบน ตะตาตี๋อันนี้โดยรวมเหมืนะอุลมาก็เลยตีความว่าเนี่ยลักษณะแบบเนี้นะก็น่าจะน่าจะมาจากจงทีแต่มันมีหลายอย่างที่มันอาจจะเป็นข้อดแตกต่างเช่น เ, เขาเขาจะเป็นคนที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงว่าทําลายหมายถึงว่าสังหารพืชผลทําลาย บ่อน้ํลาลําธารน้นําอะไรเงี้ยก็ทําลายหมดมีบางรายงานบอกว่าไปถึงทะเลสาบมันไปกินน้ําจนทะเลสาบนี่แห้งหมดบางอย่างนี่มันก็ยังดูไม่ออกคือมีอัลลมาบางท่านได้ตีความว่ายาอายมายุชเนี่ยก็คือชาวตัตาร์หรือมะฮูลก็คือชาวมองโกนที่เขามาบุกรุกโลกมุสลิมเมื่อเจ็ดร้อยปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณ น, นี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งยะยุชมะยุชเนี่ยเขาเป็นเผ่าที่ผสมพัน์ระหว่างจีนกับเติกมาจากเอเชียช่วงตอ น, ตอนกลางอะแถวคาซัคสถานอะไรพวกเนี้ยนีนย่แล้วพวกนี้เนี่ยก็เคยมีมีประวัติในการที่จะบกครองจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเลยนะพวกนี้เนี่ยเคยมาบุกรุกโลกมุสิมแล้วก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้สังหารเข่นฆ่า ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างคือคื อ, คอบุกประเทศไหนในประเทศนั้นคือที่นาฏเลยไม่ไม่ไม่ยับไม่เหลืเลยอุลาังตันบอกว่านี่สัญญาณ น, นี้มันเกิดขึ้นแล้วอย่าดูดมาดูยังเกิดขึ้นแล้วอุลามากุมเนื่องบอกว่าไม่ใช่นี่สัญญาณก่อนวันเกียรมาหนิดเดียวสนู่นสัญญาณใหญ่ามากอย่าดูดมาดยังไม่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรางบอกว่านี้เกิดขึ้ น, นกำลังเกิดขึ้ น, <laughs> น <laughs> ก็คือการขยายของของประชาชนชาวจีนอะ ที่เริ่มไปทุกสารทิศแล้วก็มีอำนาจอิทธิพลนี่ถ้ากลุ่มนี้เนี่ยมาอ่านจีนเท่านี่ก็บอนี่ไงนี่เงถ้าเรามากลุ่มเนี่ยนี่ใช่เลยมันเอาทุกอย่างเลยมันไม่เลี่ยงเลยนี่ก็มีประมาณนี้แหละครับ